กล่าวนำสมาทานศินให้ลูกหลานได้รับศินแต่หลวงพ่อเองได้ทบทวนดูว่าน้อยมากที่ครูบาอาจารย์จะอธิบายเรื่องเรื่องินคลุกลึกหรือคุณค่าของศินให้ผู้ที่สมาทานสินได้รับรูบ้รับทราบเพราะท่านก็พูดและกล่าวออกมาว่า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 ถึงจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างไรก็มีคุณค่าเรื่องของสินอย่างวิสุงวิสุงเนี่ยข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการสมาทานสินข้าพเจ้าอาจจะทำผิดร่วงเกินหรือว่าสินขาดในห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งในเมื่อรับไปแล้วไม่มั่นใจเพราะนั้นขอข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงขอรับสินเป็นวิสุงวิสุงทวขาดข้อหนึ่ง ก็ยังอีกข้อ2ข้อ3ข้อ4เราขาดข้อที่2หรือว่าขาดขาดข้อที่5ยังก็ยังมีอยู่ข้อเออลงมาข้อ 4... ข้อ3ข้อ2ข้อ1นึอหรือว่าขาดข้อที่2อก็ยังมีข้ออื่นคล้ายๆว่าขาดข้อใดก็ขาดข้อนั้นอว่าพิสูง์วิสูง์แต่ถ้าหากว่าเป็นติสระเนนัสะปัญจะเนี่ยข้าพเจ้าจะขอรวม สมาทานศีลทั้งหมดทั้งหข้อพร้อมกันถ้าหาวาขาดข้ออะไรข้อหนึ่งก็บเป่าขาดทั้งหมดแต่ว่ามันยังเหลือทั้งหลายก็ยังหมดอันนี้คือปัญจสีลคือสมาทานศีลรวมกันทั้งห้าข้อนี่แหละแต่ตามไม่จริงถ้ า, ห, าหลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อบอกวควรเราตั้งใจสมาทานศีลทั้งทีมีเจตนารักษาคุณงามความดีทั้งที เราควรจะรักษาสินให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามสัจจะไม่ใช่ทำทขยักขยักทำขยักขย่ขยขยอน เ, ออเวลาได้มาก็คงจะได้ขยักขย่อนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเราทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้เวลาได้ผลมาเราก็จะได้รับ เ, เต็มความรู้สึกโลเต็มความภาคภูมิของเราที่เราในรักษาศิน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 สาขาของวัดบวรเป็นจกคุณหลวงปู่วินที่เป็นลูกศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์สินพระชนน่นะแต่ท่านเคยมาที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อเคยเห็นท่านจคุณท่านจกคุณองค์นี้นะท่านก็ไปประกาศเผยแผ่ทางอินโดนีเซียจากนั้นท่านก็ได้ไปปลูกฝังอุปนิสัยของลูกหลานในการไหว้พระสวดมนต์สาธารณพิธี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 เด็กเขาก็ไม่นั่นนะเด็กเขาก็อยู่ในนั่งนั่งคัดสมาธินั่งเงียบทุกคนนะเออหลวงพ่อเห็นเออเป็นระเบียบดีวะ่ะจากนั้นเขาก็ไหว้พระเออเขาไหว้พระได้ทุกคนว่ อ, อจากนั้นเขาก็อาราธนาศีลพร้อมกันอีกนะทุกคนเลยเอาราธนาศีลจากนั้นพออาราธนาศีลแล้วเขา อ, อราธนาเทศอีกเออผู้ได้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 ทุกคนก็พูดได้พร้อมกันนี่แหละแล้วก็สมันตาจักรวาเรสุเนี่ยโดยมากก็เป็นพวกเราเห็นเห็นทั้งหลายก็พระสงฆ์พออาราธนาพระปริศจบลงแล้วพระสงฆ์ก็เป็นผู้กล่าวสัมมันตาจักรวาเรสุเชิญกายสิทธิ์ทั้งหลายจักรวานเทพเจ้าเราจักรวาน ในเทพย ก, กวานให้มาร่วมฟังพระปริตตมงคลที่พระสงค์จะได้สวดพระปริตะมงคลมีภูมิมะลุขะเทวดาอินทนาครุษ เ, เทวดาอากาศเทวดาเทวดาชั้นต่างๆาจนถึงชั้นพรมขอให้มาร่วมการฟังพระปริตะมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลของพวกเราอันนี้คือสมัญตา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 ลูกหลานทั้งหลายไหว้พระเสร็จแล้วก็ได้หลวงพ่อจะเป็นได้เป็นผู้พานำสมาธานศินก่อนที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาธานศิลหลวงพ่อก็ได้แนะนำคุณค่าของสินประโยชน์ของสินให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นเมื่อเสร็จแล้วลูกหลานก็ได้กราบปรารถนาให้หลวงพ่อเป็นผู้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 ใน58บปีของหลวงพ่อตั้งแต่เป็นสมณีจนเป็นพระถึงขนาดนี้หนละหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้บางทีก็เย็บหยิบยกเรื่องหนึ่งมาพูดมาแสดงมาพูดมาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมาบางครั้งก็ยก เรื่องหนึ่งขึ้นมาชี้ให้ดูบางทีก็ยกเรื่องนี้มาให้ดูให้ฟังมีหลายแนวที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมให้เป็นแนวทางสําหรับคณะสัตายาติโยมลูกหลานถ้าเป็นเอ็มพสขณะนี้ก็ทั้งหมดมีอยู่หมีทั้งหกสกว่าแผ่นที่หลวงพ่อพูดไว้แต่จไม่ได้อัดอีกต่างหากขันชนะคณะสัตายาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็แนะนํา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 กับสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะว่าตรงหรือว่าใช่ก็ตรงที่ได้ศึกษามาก่อนที่จะออกมาจากครูบาอาจารย์ที่สายนี้ก็เป็นเวลาถึง2ี่กว่าปียี่สิบกว่าปีจึงจะออกได้ออกมาจากครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ศึกษาหลวงพ่อว่าที่พวกเราได้เรียนได้ศึกษาจนถึงท่านขันด็อกเตอร์หลวงพ่อว่าคงจะ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 ปีนี้นะที่หลวงปู่มั่นที่ท่านอายุถึงแ0ดิปีพอแปดสิปีแล้วกท่านกมรมละนภาพในแ0ดสิปีอายุของท่านแล้วจากนั้นมากปีนี้ก็เป็นปีที่หกสห้าทำไมจลงพ่อจึงได้รู้ไดร้ทราบกาบพ่อว่าเขานมนม์หลวงพ่อไปแสดงธรรมที่วัดป่าสุทธาวาสปีนี้เมื่อวันที่เดือนกุมภาที่ผ่านมาเป็นงานเป็นวันครบรอบ วันประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปปีนี้หลวงพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีหลวงพ่อก็เลยขอยกเว้นเพราะว่ามันตรงกับงานของหลวงตาเอกหลวงตาวันที่29่สเาขานมรหลวงพ่อ2 9 30เป็นวันมาประชุมเพลิงหลวงปู่มั่น65ปีแต่วันหลวงตาเป็นวันมรณภาพของหลวงตาวันที่30มกราหลวงพ่อก็จะ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 ก็ลงไปแลกนาขวัญก็คงจะไปไถนาจริงๆอ่ะจะได้พวกสนมกํานันทั้งหลายมี่พี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็เฮโลกันไปดูการแลกนาขวัญของพระเจ้าสุตโทธทนะก็ปล่อยให้สิทธะนอนอยู่ตามลาพังฮะนอนอยู่ตามลําพังไม่มีใครดูแลไม่ใครไม่มีใครเฝ้า น, ะนอนอยู่โคลนต้นว่าร่มต้นว่าแต่นี้เมื่อสิทถะ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 ในชาติอดีตชาติของพระ อ, องค์พระ อ, องค์เคยเป็นรือศีสีพรยมาก่อนเคยทำสมาธิอย่างนี้มาก่อนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะนั้นอุปาิสัยของพระ อ, องค์นะรู้ติดจิตใต้สำนึกของพระ อ, องค์นะรู้แก่ใจจากนั้นพระ อ, องค์ก็นั่งสมาธิจิตใจสงบจากนั้นก็ออกจากความสงบก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไมากระยุดในการทำสมาธิ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 เออเรามาจากไหนพระองค์มองดูพระองค์เองเรามาจากไหนมานั่งอยู่ตรงนี้ชาติที่แล้วมาจากไหนเเรามาจากสวรรค์ชั้นดุซิตก่อนที่มาจากสวรรค์ชั้นดุษิตนั้นเรามาจากไหนเออมาจากพระเวทสั้นดรอสก่อนจากพระเวทสั้นดรอสเรามาจากไหนนี่แหละท่านไล่เลียงไปเรื่อยอ ย, ยาวเหยียดเลยวิญญาณแต่ละคนนีกว่าปุเพนิวา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 ท่านมองเห็นว่าเออใจตรงนี้มาจากไหนทำไมจะมาเวียนไหยตายเกิดไม่มีที่ตบจบที่สิน้นใจตรงนี้มาจากไหนเ ก, นเกิดมาจากไหนใจตรงนี่ท่านก็นึกย้อนย้อนย้อ น, อนไปไปถึงตัวอวิชชาตัวไม่รู้คือตัวโง่ใจตรงนี้มันเกิดมาจากความโง่ความที่ไม่รู้เรียว่าอวิชชาปัจจะยาสร้างข้ารา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 ในคืนวันนั้นตอนหัวค่ําปุบเพนิวาสานุสติยานเที่ยงคืนตุตูปะปาตยานจวนสว่างอาสาวกไกยะยานอันนี้พวกเราให้ฟังเอาไว้อันนี้คือพุท ธ, ธะจากนั้นเรามาพูดถึงแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่นี่อันนั้นคือกระจกยอกระจกแผ่นใหญ่แล้วจะนี่กระดานดําแผ่นใหญ่ที่ท่านได้เขียนเอาไว้แต่นี้หลวงปู่มั่นก็นํำทำคําสอนของหลวงปู่มั่นของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ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 อันนี้แหะคือหลวงตานี่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติในหลักธรรมคําสอนแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรเนสอนหลวงตาหลวงตาบอกว่าวันแรกที่เราเข้าไปกราบเขาไปเพื่อจะฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นแต่ท่านเห็นหลวงปู่มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเกิดความเคารพนับถือเริ่อมไสยอย่างสุดซึ้งพอเห็นเข้าไปเอออันนี้แหละเป็นครูบาอาจารย์ของเรา ท่านก็เห็นสุดซึ้งใน ใ, นใจจากนั้นท่านก็ได้ติดตามผลแห่งการเดินทางแล้วกาบการเป็นอยู่ของหลวงปู่มั่นทราบว่าหลวงปู่มั่นเข้ามาอยู่ทางสกลนครแถบแถบวัดดอยธรรมเจดีบ้านโคกตองโขบนามนแถบนั้นแหละหลวงตาก็เดินทางเข้าไปมาถึงหลวงปู่มั่นค่าพอดีพอใกล้ค่าก็เข้าไปกราบคารวะท่าน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 ทักเท่านั้นเองโอ้โหใช่เเขาว่าผมผมคํานี่จะไปรู้ได้ยังไงว่าเป็นไผ่ต้องบอกชื่อตัวเองสิเ <No. S 1> นี่ยหลวงปู่ที่ท่านรอบคอบจริงๆคําอย่างนี้เราหาฟังได้ยากนะนี่แหละใครๆว่าประทับใจในการในการทักทักทักของหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ถามว่าพอฉนทนาไปท่านก็บอกมาหาท่านที่เรียนมาหามาเนี่ยมากมายจนได้เป็นมหา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 เนื้อติดฟันท่านั่นเองมันไม่ใช่ของทิ่จิรังถาวรเออต้องพิจารณานะบังคับให้ออกพิจารณาอะไรพิจารณาที่ท่านหลวงปู่มันท่านก็รู้แก่ใจว่าท่านสอนมาแล้วเรื่องพิจารณาพิจารณาอะไรเกศาผมโลมาขนนะะักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมมามหัวใจคือพิจารณาร่างกาย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 เฮ<อ>ใจนี่แหละจากนั้นไปย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจแล้วก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่แหละให้ลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้แนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเรื่องสมถ tha ท่านทำยังไงเรื่องวิปัสสนาท่านทำอย่างไรแนวแถวของพทุทธะที่หลวงพ่อได้ยกเป็นกระจกเงาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นมาอย่างไรที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นพวกลูกหลาน ฟังแล้วนะอย่าไปเชื่อที่เดียวให้ฟังเอาไว้แล้วคห้ยไปศึกษาดูจริงไหมที่หลวงพ่อชี้ประเด็นให้ฟังขนาดภาษาลิบุตรฟังธรรมมัทธิ์นาของพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสาษาลิบุตรท่านได้ฟังลัมได้ฟังธรรมคำสอนของเรานี่ท่านเชื่อไหมที่เราพูดให้ฟังเนี่ยภาษาริบุตรยังหวะยังก่อนพระเจ้าคะ่ะ